พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าบเจลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่ส0มกราคม2557หมีชื่อเรื่องว่าสารานิยธรรมนำสุขงานของหลวงปู่จํำ ผ่านไปหลวงพ่อเหมือนกับมรสุมหรือว่าฝนกำลังจะคึมบดคึ้มมาอย่างแรงแต่บันนี้มันตกผ่านไปแล้วความรู้สึกหลวงพ่อเป็นยางไงน่นะพอฝนตกพัดผ่านไปแล้วนะโล่งใจในระดับหนึ่งแต่ก็ยัง คิดว่าผลที่จะตามมานั้นอะไรกนะ็ยังคิดอีกเหมือนกันแต่ก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรแต่คณะสัตธาญาติโยมพระเนรลูกหลานไปช่วยงานนี่ก็รู้สึกเต็มที่อย่างโยมเท่าแกลาดเนี่ยที่นั่งอยู่ข้างๆหลวงพ่อเนี่ยลานมันขวัญเมืองสามเหลี่ยมที่มาวัดหลวงพ่อเป็นตลอด ก็ได้เอารถพ่วงไปช่วยขนฟางบางขนขนบางเอาคนโซเฟอร์ไปดูประจําแล้วก็เมื่อวานก็พึ่งขนของกลับพวกโต๊ะเก้าอี้วกเต็นอ่ทั้งไปเอาไปส่งแล้วทั้งเอาไปกลับด้วยเรต้องกลับมาด้วยแล้วก็ับปฐมวันก็เอารถพ่วงไปเมื่อวานวันก่อนถึได้ใช้ไปส่งโต๊ะเก้าอี้ ทราบว่าวันนี้จะมาส่งที่บันคอมั้งยืมมาทั้งบานคอไปนะัไปนะไม่ใช่ธรรมดาการงานของหลวงปู่จามยืมทุกหัวละแหงแล้วก็พร้อมกันเราก็บอกกับพระที่เป็นหัวหน้างานที่เราสั่งเอาไว้ไปส่งแต่ละที่ก็ถ้าหากว่ามันเสียหายสัมรทธิก็ควรจะใช้จ่ายเงินให้ทันนะถ้าหากว่า ไม่จำรุดท่านรับไปเราก็อาจจะถวายเรียกว่ามอบให้เป็นค่าที่เรานําเอาไปใช้ถึง ท, ท่านจะขอหรือไม่ขอก็ควรจะถวายท่านบ้างนะจุดแท้แต่แต่ละวัดไม่เหมือนกันถาวัดเล็กวัดน้อยวัดรายได้ไม่มากเราก็ถวายถาวัดไหนที่ใหญ่แล้วก็ไม่เป็นไรอย่างที่เอาโต๊ะจะเต็นเล็ดไปยืมโต๊ะจัเต็นเล็ด มาใช้หายไปสองตัวตัวละหมื่นกว่าบาทโอ้ถูกกลานแต่ตามไม่จริงถ้าเป็นหลวงพอ่อหลวงพ่อไม่กล้า ย, ยืมหน่อราคาแพงขนาดนั้นอันนี้ก็นี่แหละสิ่งของที่งานของหลงปู่งานที่เราได้จัดทาไปเขารู้สึกว่าราบรื่นในระดับหนึ่ง แต่หลวงพ่อเองก็ได้เอาพระในวัดของหลวงพ่อไปช่วยงานยี่สิบกว่าองค์แล้วก็วัดสาขาอีกก็มากที่มาช่วยงานองค์กลับไปแล้วก็มีองค์ที่ให้ช่วยงานเก็บสิ่งของก็มีวัดของเราไปช่วยงานรู้สึกว่าเข้มแข็งเป็นหลักแต่ถึงยังไง พระวัดเรานะพระน้อยพระหนุ่มหลวงพ่อเปิดโอกาสให้ไปเรียนรู้เรื่องอาการทำงานเพื่อการศึกษาศึกษาขะแนกหนึ่งอีกเหมือนกันนะแต่เท่าวัฒนธรรมเนะ่อย่าไปถลม่มทลา ย, ยจิตใจไปเห็นสิ่งเหล่านั้นเข้ามาแล้วก็ทำให้เสียหายนำสิ่งที่ไม่ดีนำมาใช้ในวัดมาพูดมาคุยมา สับเพเฮละในวัดไม่ได้นะพระหลวงพ่อบอกวันถึงเราจะไปอยู่ในสถานที่ใดเหมือนเกลือรักษาความเค็มถึงจะไปอยู่ในพระทิศย์พระจันทร์จะเอาไปในอากาศออกไปโลกพระอังคารเกลือก็ยังเค็มกลับมาถึงโลกก็ยังเค็ม นี้ก็เหมือนกันเราไปนะัสถานที่ใดเรื่องธรรมวิัยต้องอยู่ในจิตใจของเราอยู่ตลอดเรื่องธรรมซึ่งเราได้ศึกษาได้แล้วไว้แล้วดีแล้วเราก็ควรจะนำธรรมคําสอนที่ครูบาอาจารย์ที่เราได้ศึกษาไว้ดีแล้วนําไปประพฤติปฏิบัตินําไปใช้ในเมื่อนําใช้เสร็จแล้วเราก็ต้องกลับ จิต ก, กับใจของเราให้มาสู่หลักธรรมวิญญายอย่างเก่ามาอยู่ในความสงบอย่างเก่าแต่สําหรับหลวงพ่อเองอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเหมือนกับฟ้าฝนมืดครึ้มตกกระหนำ่ำแต่ในช่วงนั้นเราทำยังไง เ, เราก็จะต้องหาเต็นท์หาผ้าหาอะไรหาล้มหาอะไรมาป้องกัน มันจะตกมากน้อยแค่ไหนเราต้องเข้าไปอยู่ในมรสุมนั้นแต่พอมรสุมผ่านไปแล้วเราก็โอ้โล่งอกอะไรบ้างจะเสียหายในที่พักพัอาศัยของเราจะได้ซ่อมแซมอะไรบ้างไหมจะได้ดูอะไรไหมอันนี้คือหลวงพ่อต้องได้คิดเพราะเราหลวงพ่อเป็นหัวหน้าที่ปล่อยให้พวกลูกๆน้องๆทั้งหลายไปช่วยการช่วยงาน เพื่อจะให้งานของหลวงปู่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแต่สิ่งที่ตามมาหรือว่าสิ่งที่จะเกิดในอนาคตระว่าเรื่องอะไรหลวงพ่อก็มองมองมองมอ ง, มองดูเหมือนกันนั่นแหละเพราะพะโลกนี่นมันเป็นโลกไว้ใจทางวางใจคนจนใจเราที่หลังอันนี้สิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้คิดหมดทุกอย่างแต่ถึงยังไงถ้าว่าจิตใจของเราเป็นกุศลสัอย่างเราทำเพื่อการกุศล ทำเพื่อบุญกุศลทำไม่ได้ทำเพื่ออย่างอื่นเรื่องง่ายๆจบง่ายๆแล้วก็คิดถึงตัวเองอีกข้าพระเจ้าจะต้องตายอีกข้างหน้าอีกไม่รู้ว่าวันใดก็วันหนึ่งข้าจะต้องการอะไรอีกข้าจะต้องการ อ, อะไรอีกอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าไม่รู้ว่าวันไหนล่ะเออข้าจะต้องถึงจุดจบถ้าต้องการอะไรอีกไง ท่านละลึกถึงความตายอย่างเดียวท่านนะสบายนักปล่อยหมดที่จะถือโทษโกรธเครืองที่จะมักใหญ่ไฟสูงที่อยากจะเป็นหัวหน้าหัวตายอยากจะมีหน้ามีตาในชุมชนสังคมจกอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเป็นคนอื่นมันตัดไปหมดเพราะอะรเพราะเราละลึกถึงมรณภัยคือความตายมันใหญ่นัก ที่จะมาสังหารพวกเราหรือตัวของเราขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านทุกคนนะคิดคิ ด, คดอย่างที่หลวงพ่อคิดเนี่ยมันจัดได้หมดทุกอย่างสิ่งไหนที่เป็นหน้าที่ดีที่สุดเราทำจุดนั้นเมื่อคิดดีการกระทําออกไปก็ต้องดีเมื่อพูดออกไปก็เป็นพูดไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นการกระทำก็ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น การคิดก็ไม่คิดเพื่อจะเบียดเบียนตนหรือผู้อื่นสารานิยธรรมทำเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสั ม, มนเนรทั้งต่อนหน้าและรับหลังช่วยขนขวายการดูแลภิกษุไข้หรือ ม, มีการชรถถุกสุกดิบของพระเนนหรือญาติโยมอันนี้วาอันหนึง่งเข้าไปตั้งวจีกรรม คือการพูดแนะนำสั่งสอนให้รู้จักดีรู้จักชั่วรื่อักไก่เกียร์รู้จักเมือ่อมีล่างเรื่องอะไรเกิดขึ้นใช้วรจีกรรมพูดกล่าวตักเตือนแนะนำสั่งสอนอันนี้ก็คือวรจีกรรมเข้าไปตั้งมนโนกรรมคือแนวความคิดมีแต่เมตตามีแต่ช่วยสวงเคราะห์มีแต่ไหนจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมคิดไปในทางที่ สร้างสรรค์ไม่ได้คิดเพื่อจะเบียดเปลี่ยนทําร้ายทําลายใครอันนี้บอกทั้งมัณ ก, กรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพิกษุสั ม, มเณธทั้งต่อหน้าและรับหลังแล้วก็รักษาศีลให้บริสุทธิเ์เท่าเทียมกับสัมมนเนธพิกษุสัมเนธอื่น อ, อย่าทําตนให้เป็นคนเลวให้รักษาศีลเสมอพิกษุสัมเนธอื่น อ, อย่าให้เป็นขี้ตำหนิของคนทั้งหลายของกลุ่มของเราทั้งหลายได้ แล้วก็ให้มีทิฏฐิคือความเห็นไปในทางสัมมาทิฏฐิเหมือนกับภิกษุสัมมเนนเอื่นอย่าเป็นเมตช่าทิฏฐิคือความเห็นผิดเห็นบาปเป็นบุญเห็นบุญเป็นบาปเพ็นนรกสวรรค์ไม่มีตายแล้วศูนย์อย่างนี้เป็นต้นเราต้องฝึกให้มีความเห็นเหมือนกับภิกษุสั ม, มเนนอื่นทิฏฐิคือความเห็นแล้วก็แบ่งปันราบ ที่ตนได้มาโดยชอบธรรมให้แก่เพื่อนภิสูจส์สมณเณรอื่นไม่หวงไว้บริโภคแต่เฉพาะผู้เดียวนะอันนี้เลยคือสารานิยธรรมทำเป็นไปเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียวเรียกว่าสารานิยธรรมนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านพูดไปแล้วถ้าคนทั้งหลายพระทั้งหลายอยู่ด้วยกันมีสารานิยธรรมทำหกประการได้ทำหกคอนะี้อยู่ในจิตใจของ ชุมชนกลุ่มใดหรือบุคคลผู้ใดผู้นั้นมีแต่ความเจริญเจริญโดยส่วนเดียวถ้าเรามาพิจารณาดูสิในทำคำสอนของพระพุท ธ, ธจเจ้าเนี่ยล้วนแล้วมีสาระมีประโยชน์สรุปแล้วก็คือใจให้ใจให้เป็นธรรมทางใจของเรามีกิเลสโลภโกรธหลงมีแต่ความพยาบาทอาฆาตเห็นผู้อื่นได้ดีได้ดีขึ้นมาตัวเองลุกเป็นไปไม่ได้มองเห็นว่า บารมีของแต่ละองค์หนึ่งแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันจะให้มันเหมือนกันได้อย่างไรแต่คนตัวเองไม่สร้างบารมีพระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรภาษาวกจะเป็นภาษาวกได้อย่างไรเศรษฐีก็จะเป็นเศรษฐีได้อย่างไงคนที่เป็นเศรษฐีได้เพราะอะไรเพราะเขาได้ทําบุญทําทานทําบุญทําทานกับใครทําบุญทําทานกับพระอรหันต์ทําบุญทาทานกับพระปัจเจกพุทธเจ้าทำ บุญทำทานกับพระพุธทธเจ้าเมื่อทําบุญทําทานแล้วบุญกุศลจะเข้ามาสู่จิตใจของเขาเขาก็จะต้องเป็นคนร่ารวยแล้วเขาปรารถนาอะไรนี่แหละคนทําบุญเออมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ตัวเองทําบาปละ่ะจะให้เหมือนคนทําบุญได้อย่างไงมันแยกกันโดยปริยายนะเหมือนน้ากับ น, น้ํามันนะ่ถึงจะอยู่ในดินเหมือนกันมันก็เป็นน้ํามันก็เป็นน้ำมันนะ่ อยู่อย่างเก่านะน่ะอันนี้ก็เหมือนกันคนดีคนชั่วคนบาปคนบุญคนจนคนรวยมันแยกกันโดยอัตโนมัติแยกกันด้วยกรรมกรรมคือการกระทําแต่ถ้าทําดีแล้วเหมือนคนเหมือนกันลูกหลังหน้าตาเหมือนกันเอแต่บางคนขี้ร้ายอัปลัอีกต่างหากแต่เขาร่ํารวยอะทําไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ากรรมของเขาในอดีต ท, ที่เขาได้ทาไว้แต่อัปลักษณ์นะเพราะอะไรเพราะกรรมของเขาอีก เขาได้ทำกรรมชั่วดูถูกเหยียดหยามคนอื่นเขากนะ็เลยไปคนอาทิศคนละทางนี่แหละเหมือนกับนางาพระพุทธเจ้าไปขอดินเหนียวมายาหลังหลังคาถ้ำของตอนเองไปบินทบาทบินดินเหนียวนางผู้ดินเหนียวเนี่ยับโมโห มีไม้มีมือมีตีนอยู่ทําไมทไมําไม่เป็นออพระประเจกเยดาพระประเจต่างหากเกิดมาพบหน้าชาติหน้านี่ยเอาปากไปตั้งหนึ่งตาไปตา้งหนึ่งจมูกปิดไปตา้งหนึ่งเนี่ยเพราะอะไรเพราะความโกรธแต่แต่นางก็ให้นะเอาให้พระประเจกแต่ด้วยอานิสงส์ในการทานถวายดินพระประเจดพุทธเจ้าเนี่ยอร่างกายเนียนนุ่มใครไป ถูกไปจับแล้วก็หลงไหลในสัมผัสนะนี่แหละมีทั้งบาปมีทั้งบุญอยู่ในนั้นนะ่ะมีทั้งบุญมีทั้งบาปในตัวบุคคลคนเดียวเพราะอะไรเพราะการกระทำของเราเนี่ยมันไม่สม่ําเสมอไม่สมบุกเสมอมันก็ต้องมีการการคิดหรือการกระทำมันออกไปจากใจทั้งหมดจะคิดยังไงคิดตัวไปแล้วกระทำพูดสิ่งที่มันไม่ดี บาปกรรมตอนนั้นอาจจะตามสนองพวกเราเนี่ยสรุปแล้วก็คือสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นไปด้วยกรรมกรรมมุนินาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทําไว้กายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมเพราะฉนั้นเรื่องกรรมเป็นเรื่องใหญ่ในหลักของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นอย่าไปทํำกรรมที่ไม่ดีทําแต่กรรมดี กรรมดีนั่นะจะตามสนองถ้าทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็ตามสนองอีกเหมือนกันไปในทางที่ทุกข์เพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนว่าสารานี้จะทำทำเป็ี่ยนไปเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียวมีหกประการนี่ที่ได้พูดใด้ฟังออกไปจากใจทั้งหมดเขาไปตั้งกายกรรมประจีกรรมมนโนกรรมแล้วก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์มีทิฏฐิคือความเห็นให้ เหมือนเสมือนกับพิสูุอื่นและก็บแบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบทำแต่เราพิจารณาดูแล้วด้วยหลักเหตุผลแล้วก็หลวงพ่อวัดถูกต้องนะอรรถพอนโอมทนาใายพอ